ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องพระจันทโชโตหรือว่าพระครูภาวนานุโยควัด ฉัตรใดหลวงพ่อหอมก็เหมือนกันท่านเกิดปีขานมาธรรมกลาง กบีมาแล้วก็ลองคํานวณดูก็แล้วกันที่บ้าน 5 คนท่านเป็นน้อง เป็นชีวิตที่มีแต่ความซื่อสัตย์ไม่มีโกทมีโกงใครอ่ะไม่ร้อยเล่ห์มายาพูดๆไม่มีส้อยไม่ กําลังจะย่างเข้าเขตนี้แวะกินก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แล้วเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะอ่าแล้วคน <laughs> <laughs> <laughs> โอ้hh กินก๋วยเตี๋ยวยังกินเส้นเหล็กเลยอ่าจานก็จาน 90 กว่าปีสมัยนั้นชาวชนบทโดยทั่วไปยัง ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็พอจะได้เปรียบอยู่บ้าง ด้วยเหตุที่ว่าเหตุที่ว่าแม้ใครเรียนจบทั้งเขียนอ่านจนชํานาญก็ จะไปตั้งกองทหารอยู่ที่อำเภอคือคนที่ถือว่าเป็นลูกผู้ชายเต็มตัว การเข้ารับราชการทหารนับตั้งแต่วันแรกที่ พอกลับไปถึงถิ่นฐานบ้านตัวเองบางทีพ่อแม่ 4 ปีโดยไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเลย ในหอมทóงสำริตพรุษ Beschดายอัน� จากการเป็นต่อหารแล้วก็กลับมาny pup deon ควายอย solemn cars พูดถ illnesses แตก็น่าสงสายอยู่อย่างนึงในช่วงที่ครับควรในหอมว่ะผลหายายูกริ้งแล้วยังมีความสุขก็มีเหตร์การทำให้ออกตกใจเกิดขึ้นอยู่สองครั้ง มีกลุ่มโจรป่าเข้าสองครั้งเลยแล้วก็เคยมีคนถามท่านเอาสมบัติเงินทองที่ท่านอุตส่าห์หามา หลวงป่าหอมนี่ท่านปล่อยวางแล้วก็ไม่ประสงค์จะก่อเวรซึ่งเป็น โจนมีความรู้ในเรื่องศาสตร์ลึกลับตั้งแต่ แต่อย่างมีประชาชนทั้งหลายรู้จักก็ ตำบลทำมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองตอนนั้นอายุได้ จนมีความรู้พอเป็นแนวทางนะการบวชเป็นพระภิกษุสามเณรนั้นคนบูรณผู้เฒ่าผู้แก่สอนนัก อันนี้เป็นเสียงศาสนาโดยแท้จริงพอหลวงพ่อหอมคิดได้อย่างหลวงพ่อหอมก็ออกเดิน ซึ่งสมัยนั้นเมืองไทยยังไม่มีถนนหนทางเส้นทางโล่งเตียนสมัยนั้นก็หนีไม่พ้นทางเควียน แล้วก็ตัวเองเป็นผู้มีศีลโดยปกติหลวงพ่อหอมท่านเคยพูดบอกว่า เดินไปท่ามกลางป่าเขาลําเนาวไพรเพราะต้องมีสติพร้อมการเป็นพระทุโดงต้องเป็นบุคคลที่ ท่านก็ไปใครผ่านมาทางนี้ศาลาหลังหนึ่งปลูกสร้างเอาไว้ใน ในความดีมีศีลธรรมของท่านก็ แล้วก็กำชับพระผู้ร่วมคณะให้ทำใจให้ๆบริเวณได้บ้างท่าน ความมืดก็กําลังจะโรยตัวมา โจ้งมีสติสำพั availability ที่พร้อมบรِบูณ ไม่ว่าจะมีเหตุการอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้เชื่อตามนี้ คือนั้นลodesภาฐุดมธ์ทั้ง 4 รูปนั่นพ comfort ทำจิตใจให้ชื่นบาลในธรรมความสว่างก็ปรากฏชัดในทางภายในมีแต่ความอิ่มเณียบความเป็นจริงทั้งสิ้นพนในการปฏิบัติทำ หลวงพ่อหอมท่านเสียงสัตว์ป่าพวกเสือว่าพอเวลาดึกลงมาหน่อยเสียงสัตว์ป่า รู้จักพิจารณาให้เข้าใจถึงชีวิตสัตว์และความต้องการก็ไม่ ตกลงว่าคืนนั้นพระอุทดงทั้ง 4 ตอนนั้นคณะพระทุโดงซึ่งมีหลวงๆในเวลา 3 วัน เพราะระหว่างทางนั้นไม่พบหมู่บ้านหรือ 4 ก็ใกล้จะพอดีได้พบกับ ขอประคุณเจ้าทั้ง 4 นิมนต์ก่อนกระผมตั้งใจหาบขนมจีนพันมายังท่านเพื่อถวายเออช่างเหมาะแท้พระ เอ๊ะทำไมเขาถึงเจาะจงมาถวายโดยเฉพาะเราแต่หลวงเอ่อหลวงพ่อหอมท่านก็ไม่ๆยิ่งฉันก็ยิ่งอร่อย ท่านก็ถามโยมผู้ใจบุญบอกว่าก็ถามโยมผู้ใจบุญบอกว่าโยมยัง แต่ระหว่างทางเดินอยู่นั้นท่านก็คิดรำพึงอยู่เสมอว่าเอ๊ะเรามาพบชาวบ้านตอนเที่ยงถวายขนมจีนให้ฉันน้ำยาก็อร่อยยังอุ่นน่ากินอยู่แล้วถ้ามาจากหมู่บ้านซึ่งควรจะถึงก็พบค่ำตามคำบอกเล่าของเขาเค้าก็ต้อง ไม่เกรงกลัวสัตว์ร้ายอะไรเลยหรือยังไงรูปผิวพันธุ์ของ คณะพระทุโดงกรรมฐานโดยมีหลวง เขาเป็นชาวเมืองลับแลซึ่งจัดเป็นพวกเทวดาภูมิ ชนบุรีมีทั้งนั้นผู้ปฏิบัติทั้งนั้นผู้ปฏิบัติให้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณของ ถ้าถ้าเป็นคนธรรมจริงๆถึงจะได้จ้างรับจ้างเฝ้า มีโอกาสได้เจอคนเมืองรับแลยากยากที่จะเจอเหตุมหัศจรรย์ หลวงพ่อหอมพระผู้ทรงอภิญญาและพลังอิทธิปาฏิหาริย์ได้เล่าเหตุ เป็นแน่ๆไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่หรอกๆตามคําพูดของ พวกเขาก็ดีใจกันใหญ่เลยมา แกเป็นคนชอบที่จะหาของดีติดตัว 37,000 ตอนขับรถไปยังวัดชะมะปาริรัยสมัยๆนี่ ตอนที่คุณวิชัยขับรถไปเกือบจะถึงบริเวณหน้าวัดซึ่งสมัยนั้นรถก็ดีควายก็ดีแต่ถ้าน้ําอ่า วันนั้นมีเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นขณะเข้าเขตวัดชากมากนึงเสร็จแล้วสาย จะว่างูเหลื่อมหรือว่างูหลามคุณวิชัยก็รู้จักดีแต่นี่มันไม่ใช่อ่าตอนนั้นแกก็ทําท่าจะกลับโดยอีกใจ ขอให้หลวงพ่อช่วยเมตตาอ่าปรากฏว่าเค้าเคลื่อนส่วนๆเลื้อยจากไป คุณวิชัยก็ไปเรียนให้หลวงพ่อหอมสาดบนกุฏิของท่านท่านน่ะไม่พูดอะไรมากนอกจากหูเออนานๆทีก็ถึงจะมาเห็นนี่เอา แต่ก็พอจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมของพี่น้องอยู่ริมวัดมันเพื่อจะให้หนุ่มชาวไร่ชาวสวน เป็นภาคอิสระเสรีคุณวิชัยแกก็ไปยืนชะเง้ออยู่ข้างๆเวทีดูอ่าอ่าเค้า เมดอินไทยแลนด์แฟคทอรี่ประจินบุรีแหละนะมียี่ห้อ Buffalo Remington Contra Croix อ่านานๆได้เห็นหนุ่มลูกทุ่งตะลุม 3-4 ครั้ง ซึ่งคุณวิชัยมารู้ว่าอ๋อพวกนี้เค้าเล็ง แรกที่หลวงพ่อหอมท่านบวชเป็นพระที่อยู่ที่วัดมาบมีพระอยู่จํามันสาท่าน พระท่านก็คงจะกลัวอดก็เลยศึกไปบ้างหนีไปบ้างด้วยเหตุนี้ ดังนั้นการสร้างเสนาสนะก็ดําเนินขึ้นตามลําดับศาลากัลปเรียนหอรักคังกุฏิสงฆ์ๆหลวงพ่อประจํา ขณะที่อยู่จำพรรษาในถ้ำก็ประจนือสัตว์ร้ายหลายอย่างแรกๆก็กลัวเสือหมี่ หมูบ่าหรือว่างูนี่อ่ากลับเชื่องได้ตัดไม้สร้างวัดเอาไม้ลงมาข้างล่างได้ยังไงเพราะว่า 6 คนโอบนี่มันจริงๆอ่าก็มา นะก็สรุปไม่ได้จนปัญญาที่วัดยากมากเพื่อหาทางสรุปจนหมดได้จนปัญญาอะไรไม่ได้ก็ เอ๊ะแปลกก็สงสัยว่าสงสัยว่าใครน่ะใจดีแล้วอ่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรบาง ทีนี้มาถึงเรื่องช้างเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าให้ หลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าพรานป่าก็มีแต่จิตใจที่คับแคบชอบเบียดเบียนจะไปห้ามอะไรเขาได้ก็ปล่อยเขา แล้วก็เพ่งไปพิเศษกว่าที่ช้างป่างาแพงทั้งเอ้ยบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายเอ้ย ไปทำหน้าที่ของเขาพอรุ่งชาก็กลับมามากหน้าตาความผิดหวังเลยมาถึงบอกหลวงพ่อแย่เลยห้างทั้งคืนสัตว์ป่าสักตัวเดียวตั้งใจเลยสักเชื่องมันหนีหน้าหายไปไหนหมดเห็น แต่ว่าช้างก็ยังเที่ยวหากิน ผมคงต้องยิงช้างแน่ครับหลวงพ่อหอมไม่พูดอะไรอีกตามเคยตกเย็นท่านก็ไปยืนทำจิตอยู่หน้าโบสถ์ลูก แต่เรียบเป็นแปลงไปเลยหลวงครับนั่นคือ